ชัยตันอิรจีมวั ص ح ا ب ด ص ح ا ب อี เราสั่งให้ไป ف ุสาอเรสร้าา وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِن أَنتُمْ إلَّا تَكْذِبُونَ ولا يمسنكم منها عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوثب ال الله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهدي الله فلا مضلله وما يضلل فلا ه ا د له ว่าชดว่าละอิลลัลลอฮฺอูเหดห์ละชริกละว่าชดว่าณมุฮัมมัดอั عبد ห์วะ رسوله اللهم ب ك أ ص ب ح ن وب ا وبيكأمسينا و ب ك ن ح ي ا و ب ك ن م و ت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق إسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء วะฮฺอัลซั ا, إ, إ, أ ل ยุล و ั ب ก ا ยิมรดี ل ุบิลล و ฮ ا ل ا บบ ب ว م ิลอิสลามดีน่ ر วบิ اللهم ม ن ي ร ع و ذ ละัลลอฮฺมัีอินีอาอุบิ ب ัมอัลคัสลิวัซ ب อิลคิบรีรับบีอาอุบิคัมอาดับบิมัลนารีวอาดับบิมัลควบรีัลลอฮฺ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พี ah oh ่น้องที่ร <c oughs> <c oughs> ่วมนำมาสุบฮ์หรืออีกชื่อนึงเรียกว่าฟัจรนะครับที่บ้านของ Allah ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตับเสือัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับด้วยความเมตตาของ Allah subhanahu wa t a a l นะครับ อัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเป็นมุสลิมในฐานะผู้นอบน้อมถ่อมตนเชื่อฟังปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ سبحانه และอาลัเราต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้เราพบกับโรคโควิด19อัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบีมาสอนว่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในมองโรคโควิด อย่ามองแบบคนกฟบให้มองโรคโควิดว่าเป็นราะมะนะครับท่านนบีพูดเองนะครับบอกว่าโรคโควิดเนี่ยเป็นอาดาบเป็นการลงโทษอยู่อัซลอบุมัยยาชะอัลลอฮ์จะลงโทษผูดด้ใดก็ได้ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ตอนท้ายเนี่ยเตือนเรานะผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ คืออลัลลจะไม่ลงโทษคนดีหรอกนะเราจะลงโทษคนที่ต่อต้านลงโทษให้สำนึกเตือนให้สำนึกแก้ไขปรับปรุงตัวเองซะฉะนั้นการลงโทษของอลัลลอฮเนี่ยเป็นการเตือนเตือนให้สำนึกเตือนให้เต่าบ้าตัวเตือนให้มองดูว่าตัวเองทำอะไรผิด ก็สำนึกตัวนี่เป็นความเมตตาของ Allah อัลลอฮฺอันยิ่งใหญ่างลือเกิยิ่งมาอ่านคุรานเนี่ยยิ่งมาอ่านคุรานอีกแล้วก็รู้ความหมายของอัลกุรอานนะส้ารบแม้ก็จะเตือนตัวเราเนี่ยให้นึกถึงการภัยพิบัติต่างๆที่มาในโลกนี้เนี่ยมีเยอะมาก น, นะครับวามคุณอัลลนะครับที่เราทบทวนคุรานมาถึงสุรยาซีน ยาซีนเป็นสุรระอ์ที่เราท่องจำกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วเราก็เข้าใจเข้าใจไม่ค่อยถูกเท่าไหรน่นะนะอ่านสุรร้อยยาซีนเนี่ยยิงกลายจะตายจะทำให้ตายตายสบายๆตายง่ายๆพอไปเช็คฮะดีสแล้วอ๋อเป็นฮะดีสที่อ่อนหลักฐานนะครับ ก็ปริเดหมายความว่าต้องต้องทิ้งกุณอ่านไม่อ่านนะอ่านกุณอ่านสุรยาสีนท่องจำเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ให้รู้ความหมายนะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยอ่านสุร้อไหนก็ได้นะห้ามโดน เ, นเนลยแหเรามาถึงอายาที่เท่ไาไหร่สิบสามอายที่สิบสองเนี่ยสอนเรื่องอะไรนะครับสอนเรื่อง อินน้าหนาห์นูหนูพิลมาห์ตาวนักทุกุมะกัดดามุว่าอาซาห์หุมวกุลละชัยอินอัพรไนหุฟีอิมามิมุบีนตอนนี้ตือนเรานะเล่าให้เราฟังว่าอินนาแท้จริงเราพูดกี่ครั้งสามครั้งนะหนาห์นูก็แปลว่าเราหนูพิเราให้ชีวิต อันเมาตะผู้ที่ตายแสดงว่าคนที่ตายเท่าไรฟื้นหมดนี่เตือนเรื่องอากิดาผู้ อ, อากิดาเรื่องอีมานหกข้อนี่มันมีวันเกียมมาใช่ไหมละ่ะวันกียมาเนี่เป็นวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เป็นมนุษย์นะจะตายเท่าไรก็ตามอยู่บนโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยฟื้นหมดเลย อิน uh ah. น่าหนุนหิยหรือเหมาตานีสอนเราให้ระวังตัวแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยวันนั้นแหละเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในคมัมภีร์คุณอ่านอธิบายไรู้ป่าแม่ที่อุ้มคันอยู่เนี่ยจะคลอดลูกโดยไม่รู้สึกตัวผู้หญิงที่อุ้มคันน่จะคลอดลูกออกมาโดยไม่รู้สึกตัวมันโกละหนมากเลยวันนั้น ยกเว้นผู้ที่มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์เท่านั้นคนที่ไม่มี إ ม م ا ن ต่ออัลลอฮ์ที่ใช้ชีวิตแบบสบายๆนะครับวันนั้นจึงเองเจอแน่ยกเว้นผู้ที่ إ ม م ا ن ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่อัลลอฮ์จะให้มีความเรียดส ก, กี้นะมีหัวใจสงบนะครับวันนักตุบูมาก ด, ดามูวอาอารุวันนี้ก็เล่าต่อไปอีกที่พวกท่านทํททททนาทําทําทํำไปขณะนี้เนี่ยนะ เราบันทึกเก็บไปหมดเลยน่ากลัวนะบันทึกเรื่องนมาสุโบที่มัสยิดเนี่ย ด, ดีไหมอลัลลอยิมถ้าบันทึกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตื่นออนเนี่ยรองเสียใจนกันนะทั้งชีวิตเลยไม่คือไม่เคยตื่นนมาสุโบเลยเนี่ยจะเอาหน้าไว้ไหนเนี่ยสังเกต น, นะฉะนั้นวันนักตูบูมากราบอัอลลอฮฺบันทึกว่าเราเนี่ยบันทึก เราก็ดมูนแปลงนี้ด้วยน่ะแต่ว่าสิ่งที่ท่านทําไปแล้วเราส่งไปเนี่ยความดีหรือความชั่วที่มนุษย์ทำทำวันนี้เนี่ยนะแล้วส่งไปเข้าบัญชีหมดเลยอ่ะมีอยู่สีแหล่งด้วยกันหนึ่งแผ่นดินสออยู่ที่มาราจิกาสามอยู่ที่มือเท้าเราหมดเลยแล้วที่สี่อยู่ที่อลัลลาาะหนวอนลฺมันทึกเรียบร้อยหมดเลย เราไปเจอไปเจอสมุดบันทึกเราในวันเกี่ ม, มาพูดว่าอ๋อนี่ละเอียดยิบเลยนะเนี่ยลาโยกอิร uh ุสกีรตาวารากาบีราตันไม่ว่างานเลขบัญยายนี่อ๋อบันทึกละเอียดยิบหมดเลยเลยบอกใช่ครับอ๋อน่าวสบินแล้วเนี่ยทาให้เรากลัววาอาซาโรหมแล้วก็ร่องรอยที่ภูเขาเหล่านั้นปฏิบัติเช่นรอยสูญรอยเดินออกจากบ้านมาห้หมัสยิด เอาลอเนี่เชือดเนื้อทำกุรบานไม่มีรอย ห, หมดนะเอาเนื้อให้คนยากคนจนกินมันมีรอให้หมดมีผลละบุญหมดจะจะเห็นกันในวันนั้นอนะ่ะอัลลอฮฺละห์ละห์ฮามดู ล, ลิละะวาคุลูสวาคุลละใช้อินอาฮซยนา่าฮูฟีอิมามมโบีและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราบันทึกเก็บเอาไว้นะนับมันหมดเลยฟีอิมามอิมาที่นี่แปลว่าเราคินมาฟูส อยู่ในบันทึกนู่นน่ะ่พี่น้องชี้อธิบายไปว่าอิหมามที่มาถึงอิหมามอเละนะับเอาวันนี้มาอายะที่สิบสามว่ดร <the pronunciation of Jesus afraid> ืบาลาหุมมาซัล <that> ัลอัลฮับลกุริยาอิรจาฮ์อัลมุรซัลู ว่า ضرب لهم م x a m p أصحاب القرية إذا جاء المرسلون الله أكبر ว่ ضرب นีตรงนี้แปลว่าอันนี้อัลลอฮ์ให้เิบรีนมาหาท่านนบีมุฮัมมัดมาเล่าให้นบีฟัง มาบอกกับ น, นบีบอกว่าเนี่ยพี่น้องของนบีที่อยู่ที่นครมะ ก, กาเนี่ที่นบีอัลลอฮ์สรงมาทํางานศาสนาเนี่ยต่อต้านกันไม่จะต้านอย่างเดียวด่าด้วยแล้วก็เอาหินขว้างด้วยไปเมืองตออิฟเชียมา ก, กันนึกภาพนั้นแหละ <c oughs> ไม่ใช่ต้านอย่างเดียวนะขวางด้วยรังแกด้วยแล้วก็ไล่นบีอยู่มะกาดีๆกี่ปีสิบสามปีอยู่ได้มาก ต้องอพยพจากนครมากาไปถ้าว่างานหนักหรือนานแบบหนักและคนคุ้มครองเสียชีวิตหมดแล้วภรรยาลุงใช่ไหมคนที่ดูแลปกป้องวายนาะนี่หลานฉันเนี่ยคนสองคนนี่ไม่มีแล้วกลับไปเอาล้อหมดแล้วต้องอพยพอะ่ะอาลอ้ออากาศัิปต์นี่นะงานหนักหมดเลยนะถ้าวา่านบีเศร้าไหมก็เศรับ คิดว่การเปโลจะอยู่ยังไงอยู่ยังไงเลาก็ปลอบใจนบีนี่เล่าประวัติของคนในอดีตเนี่ยนะครับวัดบริบลาลหุมแปลว่าจงจงอะไรนะจงอ้างอุทาหรณ์จงยกตัวอย่างอาวัดบริบเนี่ยเป็นแฟนอามั ด, ดจงยกตัวอย่างบอกกับนบียิบรีนลงมาหานาบีมาบอกว่ากระซูลุลละจงยกตัวอย่าง เล่าให้พี่น้องชาวอาหรับมุชลิกในนครมะกาฟังว่าที่ฉันมานี่นะไม่ใช่เป็นคนแรกนะมีนบีก่อนหน้าฉั น, นมาแล้วเป็นเท่าไหร่ที่มีชื่อในคุรานในย่สิบ้าท่านนยี่สิบสี่สิเพราะนบีเป็นคนยี่บห้าใช่ไหมนะ่ะไอ้ที่ไม่มีชื่ออีกเท่าไหร่เป็นแสนนะแสนสองหมี่พันกว่าท่านนี่ <c oughs> เป็นนบีหมดเลยเนี่ยฉะนั้นพวกอาหรับจะมา ตำแหน่งนงั้นอย่างเงี้เอ็งต้องนั่งย เ, เงียบ้างแหละมุฮัมมัดมาในมาไม่ใช่เป็นนบีคนแรกของโลกนะคนสุดท้ายนะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีไม่มีวะตริบลาหุมจงอะไรนะจงอ้างอุทาห์หอจงยกอุทาห์หอนึอออน่งมาซาลันเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างนะครับ a s h บ b al qoriyah ashab เบวา ชาวเมืองอชาวเมืองอัลกอริยะแปลว่าเมืองหนึ่งเขาว่าเมืองหนึ่งในใ น, ในทีน่นี้หมายถึงเมืองประเทศชามเนี่ยไม่ไม่อยู่ตําบล น, นึ่เหตุการณ์นี้ เ, เกิดขึ้นก่อนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดจะเป็นนบีสมัยนบีอิสลาฮิสลาฮ์เนี่ยเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นในสมัยนบีอะไรนะนบีอิสาไม่ใช่บูซานะนบีอิสา นบีอีสากับนบีมัทธิวห่างกันกี่ปีห้าร้อยกว่าปีนะนั่นในช่วงช่วงต้นๆนั่นแหละช่วงประมาณสักห้าร้อยกว่าๆเนี่ยนบีอีสาเนี่ส่งทูตอาท่งทูตไปไปทํางานาศาสนานบีอีซามันเดีไปเองเลยนะเขาว่าทรงคาวารียูนหรือว่าฮาวารียี คนที่ปฏิบัติตามนาบีอีซาเรียกว่าฮาวารีฮาวาริยูนนบีมุฮัมมัดเนี่ยคนที่เชื่อนบีเรียกว่าสฮาบะอ่าปัจจภาษาต่างกันนิดหนึ่งนะคนที่เชื่อนบีอีสาอัลลอฮาาิสลามเรียกว่าพวกฮาวารียุนนี่อลัลลอฮ์เนี่ยให้นบีมูซานาบีอิสาเดชงตัวแทนของนบีคําว่าตัวแทนหมายถึงนาซิธที่เรียนมาแล้วใช่ไหม นะซีบบว่าผู้อะไรนะผู้ตักเตือนผู้ตักเตือนมีสามอย่างหนึ่งส่งนบีมาเป็นผู้ตักเตือนถ้าถ้าไม่มีนบีส่งตัวแทนนบีเป็นผู้ตักเตือนไปสอนฉะนั้นตัวแทนนบีก็อาเลีมอุลมามะทั่วโลกเนี่ยเป็นตัวแทนนบีหมดเลยนะเล่าอุลมามะอีกท่านหนึ่งอธิบายว่าผมงอกนี่ก็เป็นเป็นข้อเตือนใจเป็นการสําหรับผู้ศรัทธาต่อร้อนะอ่ะเฮ้ยิืดสมกระจก โอ้โหนี่คราวก็สีขาวผมก็สีขาวเอ้แกแล้วนะสำนึกตัวได้แล้วนะ อ, อย่าไปยอมสีดำแหละน บ, บีสั่งห้ามอย่ายอมนะเก็บเอาไว้ตรงนั้นแหละนะให้ตืนึกเจ่อเราเลยต่อ้าตัวซ้นำนมาดครบแล้ว บอกลูกบอกเมียเตือนเลยนี่แกแล้วนะกาจะตายแล้วนะนี่เขานี่อิสลามสอนดีทำไมดีดีมากเลยถ้างั้นคนมันนึกอะไรไม่ถึงหรอกมันนึกหาเงินหาเงินหาเงินมันเพลินหาเงินใช่ไหมน่ะนี่พอนึกถึงตัวเองโอ้โหอัเอาต่อมาครับวาบริบล่าหุมาซาดันอัลฮะบัลกอริยาจงยกตัวอย่างให้กับพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงชาวมักกะที่แอนตีนบีเนี่ยนะครับ อัสฎาบัลกริยาชาวเมืองเมืองหนึ่งนะครับอิระยาอาหมุรซาลูเมื่อมีมุสละตะวะทูตมุสละตะวะผู้ที่ถูกส่งมาผู้ที่ถูกแต่งตั้งมายาอาหามหาเมืองเขามหาตำบลเขามหาจังหวัดเขาให้นบียกตัวอย่างอุทาหรหอนว่า มีทูตสามคนหรือสองคนของนบีอีซราเอลัยทิสาลาม์เขาส่งไปทํางานาศาสนาที่เมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองอันโตเกียชื่ออันโตเกียอยู่ในประเทศชาตไใกล้ๆตรงนั้นแหละแถวซีเรียนี่แหละที่นั่นนี่เป็นเมืองสวยนะมีตับสิทอธิบายเราก็เป็นเมืองสวยอากาศดีคล้ายๆกับซ า, า, า, าบะนั่นแหละอ่า อากาศดีแล้วก็มีโบสถ์สวยประดาประดาโบสด้วยด้วยอะไรอ่ะด้วยทองอืมแล้วก็คนกราบไหว้บูชาจเจวิตอ่าบูชาจเจวิตรูปปั้นอ่ะนะที <c oughs> นี้อลรถ ก, กับเมตตาเนี่ยนะเอาโนไอซาส่งคนไปสอนอ่านี่ยให้เล่าประวัติตรงนั้นอยู่ใกล้ๆกล้กันนั่นแหละน่าจะเดินไปเที่ยวบางก็ได้โออเมืองนี้ล่ะ พอที่เอาล่อส่งตัวแทนของนบีอีสามานะมาสอนศาสนาล้วเป็นไงครับมาสอนพอใจไหมหรือว่าดีใจตอนรับอ s a r s น l n a ila h i m u s a า n f a k a z a b ู h u m a ั a a z z a z n a b i s a فقالوا إن ا إ ل, ل ي ك ز ز ث ث إ إ م مرسلون إذ أرسلنا إ ل ي ه مُؤثرين فكذبوهم ا فعززنا بثالثٍ فقالوا فقالوا إن ا إ ل ي ك م مرسلون คำิลอัลลอฮฺเนี่เล่าละเอียดเนี่ยนะเข้าใจง่ายเลยนะ if أرسل นะแปลว่าเราเนี่ยได้สง่งอ่าแปลว่าเมื่อเราได้ท่งคือเป็นไงี่ส ง, สงนะสามคนอ่างตัวแทนนบีอีสาไปที่เมืองอันตอกียังเนี่ยเป็นเมืองที่สวยมากเจริญมากโอ้คนรวยเยอะที่นั่นนะแต่ไม่เอาศาสนากัน <c oughs> สังเกต ประเทศรวยๆนี่อาศาสนาไหมอัลลอฮฺฮวกฮวกนะอย่าไปตำหนีเยอะนะอิสลามนะอิไลฮ์มเมื่อที่แรกเราได้ส่งทูตกี่คนนะอิสไนเนี่ยสองคนวะเฮติสไนบอกว่าสองอ่ะเราได้ส่งทูตไปนาะสองคนไปที่เมืองนั่นแหละเมืองอันตอกียาที่มีโบสถ์สวยๆนะแต่ไม่เอาศาสนากันน่นสร้างแต่โซ่เหล่าอย่างเดียวไม่เข้ามัสยิด ถ้าพวกเราเลยนะสร้างโเราวเลยขอไปบริจากสร้างโเราวแต่คนไม่มาโเราวเลยนะ ora, เอาละอีซาไปไปสอ น, นสิเดี๋ยวมันจะตกนรกกันหมดเป็นห่วงอ่ะเอาล่ะส่งตัวแทนมานะเอาต่อมาครับส่งไปกี่คนอิสไนนนี่อ่าอิสอาลซานาอิไลมุสไนนเมื่อเราได้โสงนะครับ พูดของเราเนี่ยกี่คนสองคนแล้วเป็นไงครับฟากซาบูฮูมาประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นนะต้อนรับไหมกาซาบูแปลว่าปฏิเสธเนี่ยมาปฏิเสธบอกว่าเองเอาอะไรมาสอน อ, อ๋อว่าไปแค่สองคนเนี่ยนะยังปฏิเสธนะชาวบ้านปฏิเสธหมดเลยนี่เอาล้อเล่าเรื่องจริงให้ฟังล่าให้นาบีฟัง ก็ไม่ต่างอะไรกับมกักกานแัแหละพอท่านมามันก็ไล่ท่านม่เห็นเน่ยมันก็ด่าท่านตําหนิท่า น, น, านอาละคนก่อนหน้านี้สมัยนะบีอีซาก่อนหน้าท่านแค่ห้าร้อปีเองมันก็ไม่ยาวนะเห็นไหมต่อต้านอย่งหมดเลยถามว่าไปสอนเรื่องอะไรสอนสามเรื่องเรื่องเตา๋วฮิดลออิลลาอิลละละอย่าเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็สอง สอนว่าตายแล้วฟื้นมันไม่เชื่อแล้วก็สอนอีกเรื่องนึงนะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์คนที่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นเนี่ยนะมีรางวัลฮ่าอย่ามาสอนเสริญไปๆๆๆๆไล่ปไล่ไมั้ามาอัลลอฮ์เล่าต่อไปอีกต่อมาครับฟาอัลจาซนาบิสาลิส และเราได้เสริมนีอ่อัลลอฮ์เล่าอีกนะเราได้เสริมอััฎนาเราได้เสริมเสริมอะไรครับบิซาลิสคนที่สามส่งไปสองคนแล้วถูกต่อต้านถูกตาหนิถูกดา่าแบบนบีมุฮัมมัดเลยฉะนั้นอลัลลอฮ์ก็เลยส่งทูตคนที่สามไปเสริมให้มันให้มันอะไรนะมีคนสามคนไปสอนมันก็จะนั้งก็ไปทึกษากันอะไรกันคุยกันกันนะนะใช่ไหม เราเล่าเองนะฝ่าอซซาิซาลิราก็ได้เสริมคนที่สามอีกคนหนึ่งไปสอนที่เมือนอ่านต่อเกี่ยงนะล่ะแล้วลเป็นไงครับฝ่กอลูอินนาอไลกุมมุรุซาลูทั้งสามคนนี่พูดเหมือนกันบอกว่าอินน่าแท้จริงพวกเรานี่นะมุซซาลูแปลว่าถูก่ส ม, มานะไม่ใช่มาเองนะ มาหาใครอีไล่กุมมาหาพวกท่านเราไม่ได้มาเองเราถูกส่งมาอีกทีหนึ่งส่งมาจากใครส่งมาจากอัลลอฮฺนะเรจะผ่านนาบีไอซาอะลัยฮิสサラมหาพวกท่านเห็นอย่างครับและสอนกี่เรื่องแล <c oughs> ้วอิละอีละความจริงในเรื่องนี้นะเรื่องอัลลอมีองค์เดียวนะสอนก็ได้ทุกยุคทุกสมัยเลยนะเเพื่อพูดง่ายๆก็ด้วกันว่าในยุค ข, ของนบี ม, ม, มูฮัมมัดเนี่ยสอนว่างไงนะ แล้วถ so il ul il ้าจะเป็นมุสลิมสอนว่าลออิลลัฮอิลลัลลอฮมุฮัมมัดุลรอสูลลลอฮสมัยนี้นะสมัยก่อนหน้านบีอิสาว่าไงลออิลลัฮอิลลัลลอฮ์อิสลาห์ุลลอหให้ว่าบทประยคกต์พวนี้เป็นมุสลิมนะอก่อนหน้านบีอิสานบีอะไรนบีมูซาอะลัยฮิสสลาม นบีบ ม, มูซาก็มาสอนนี่แหละลาอิลาฮออัลาลอฮ์มูซก ah ากาลีมุลลาทำไมว่ากาลีบพรอลัลลอฮ์ตัดกระเบีบมูซา ต, ตรงๆที่ภูเขาตูดใช่ไหมแต่งตั้งให้เป็นนาเบียนอัลลอฮ์แต่งตั้งด้วยภาษาของท่านเองล้อว่าฉะนั้นทุกยุคทุกสมัยเนี่ยบรรดานบีที่มาในโลกเนี่ยมยาสอนเหมือนกันหมดเลยนะหนึ่งให้ยึดอัลลอฮ์กออง องเดียวแล้วก็ทิ้งซีริกให้หมดอย่าชีริกอย่าทําซิริกต่อก็นบีมุฮัมมัดมาเนี่ยซีริกก็เยอะนะที่เมืองไทยมีวะตัวตะเกียร์นั่งยังอยู่เลยทงทั้งที่คนที่ไปหาโตัวตะเกียนั้จะเรียกว่ามุสลิมจะได้หรือเปล่านามาดน่ยคนในสมัยนบีนี่นะเขาไม่เรียกมุสลิมนะ คนที่ประกาบอะไรแล้วไม่อยู่หกหกหหหกจอเวตนะลาดมุซามานาตใช่ไหมนะจอเวตทั้งหมดนี่นะเขาไม่เรียกมุสลิมนะเขาเรียกมุชาริกยึดอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ยึดตัาอีกยึดจเวตด้วยเนี่ยเขาไม่เรียกมุสลิมแต่พวกเราเนี่ยยังเรียกมุสลิมอยู่นะไปหาโตตะเกียดด้วยยังเรียกว่าคนนี้เป็นม okay, like ouais. ุสลิมอยู่ เรียกถูกหรือเปล่าก็ขอให้ชายปัญญาเนีน่ยก่อนแล้วกันมาคิดนะนี่เล่าให้ฟังนะสำนึกตัวได้แล้วอย่าทำอะไรผิดๆไปน้องโตตะเกียช่วยไม่ได้ถ้าช่วยได้อัลลอฮ์ก็ต้องพู ด, ดิไปหาตัวตะเกียร์นะนี่ไม่มีเลยนะอัลลอฮ์ไม่ได้ไอะไว่าโตตะเกียรพูดว่ามุชริกแท น, นชายปัญญาเองก่อนแล้วกันนะอิสอัลัล์นะอิลัยฮิมุสไนนเราได้ชง นะครับทีแรกแนะครั้งแรกเนี่ยส่งไปกี่คนอิสไนนี้สองคนไปทำงานศาสนาชาวบ้านตอนรับไหมไม่ตอนรับครับฝากระ บ, บูมาทั้งสองคนนี้ถูกแอนตี้ถูกขัดขวางถูกด่าถูกตำหนิตลอดเวลาครับฝาบสราชนซาลิซาลิปะว่าคนที่สาม อัลลอฮ์ก็เสริมคนที่สามไปอีกคนหนึ่งไปร่วมทำทำงานศาสนาที่เมืองชามที่เมืองชาม ม, ามีเมืองที่ออันโตเกียเนี่ยับแล้วเป็นไงครับฟะโคลูอินนะอไลกุมมุรุสซาลูทั้งสามคนนี่พูดเหมือนกันฉันนี่ไม่ได้มาเองนะอัลลอฮ์แต่งตั้งฉันผ่านนาบีอีซาให้นบีอิสาแต่งตั้งฉันมามาสอนพวกคุณให้รู้จักอัลลอฮ์ ให้เชื่อว่าตายแล้วฟื้นอย่าทำาชิกตัวอัลลอ์ตายแล้วฟื้นแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอัลล์ ه และุตาลนี่ถ้าพวกเราเข้าใจเรื่องอี ي มา ن หข้อนี่นะมารยาทก็งามนะนี่พออ่านไปพบประวัติของนั่นนะออสวาบานาบีนะอธิบาย ง, ง่ายๆนิดนะไซนาอุมัดนะก่อนจะรับอิสลามไซนาอุมัดนี่นะขวางนาบีปะ โอ้โหหัวหน้าเลยนะหัวหน้าเลยขวางนาบีแล้วมีอีกวันหนึ่งใช่ไหมเดินสวนกับสวาวบ้านนบีตอนจะไปไหนอุมัดมันจะไปฆ่ามอมัดโอ้ยถือดาบไปด้วยถ้าบอกก่อนที่คุณจะไปจัดการกับนบีหมั่นไปจัดการที่บ้านคุณก่อนอ่ะบ้านผมมีอะไรเหรอือน้องสาวคุณรับอิสลามแล้ว <laughs> เพราะว่าอย่างนั้นเปลี่ยนเลยเดินไปที่บ้านน้องสาวเพิ่งําลังอ่านกุณอ่านอยู่นะมีจ้างครูมาสอนเอาครูมาสอนคุณอ่านบนบ้านอลรอพอเดินมาได้ยินเสียงยนี่เสียงอะไรกันเนี่ยก็ยืนฟังพอขึ้นไปแล้วนั้นแหละอ่านอะไรกันน้องสาวก็เอาคุณอ่านไปเก็บที่หน้าอ ก, อกเอามาเนี่บอกไม่ให้ตบ ตบน้องเขยก่อนแล้วก็ตบน้องสาวเลือดมาไหลอาจารย์วุฒิใจโหดัหยโหดมากนะอ่านั่นนะคนที่ถ้าอีมานต่อรอเขาไม่ทำร้ายใครแบบง่ายๆหรอกแต่เนื่องจากไม่มีอิสลามไม่มีอีมานทำร้ายคนง่ายมง่ายอ่ะนี่เตือนพวกเราด้วยนะอย่๋ทะเลาะ ก, กันเนีย <laughs> อย่าตบหน้าลูกอะ่ะ คนถ้ามีอิมานแล้วมีาศาสนาแล้วเขาจะใจอะไรใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นย น, นี่อิสลามสอนนะแล้วก็ตัวมาไซนาอุมัดนะนี่นี่ตบหน้าน้องแล้วนะแล้วก็ตัวมารับอิสลามนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอีกทาต์ธาต์ธาต์คำว่าทาสีนะธาตผู้หญิงอนะ่ะเป็นธาตของไซนาอุมัดเนี่ยชื่อรอนิน คุณนาทับซิอธิบายหมดละเอียดยิบเลยนะชื่อรอนีนมารับอิสลามพะนามัตรู้เข้าไปตบอ่เองทิ้งอิสลามเดี๋ยวนี้นะเองทิ้งนะทำไมทิ้งกะตีนะกะตีอยู่แล้วน่ะเป็นธา น, นะตีผู้หิงบอฉันไม่ทิ้ง่ะฉันจะยอมตายแล้วก็พี่น้องกูเรสทั้งหมดเนี่ยรุมกันด่าด่านาบีมุฮัมมัดแล้วก็ด่าอิสลามบอกว่า ถ้าอิสลามดีเนี่ยมาซาบกูนาะอิไลต้องมาถึงพวกเราก่อนถ้าคำสอนของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องดีอิสลามที่มูฮัมหมัดมาทามานี่นะมันต้องถึงพวกเราก่อนไปถึงรานินได้ยังไงบรณีนนัเป็นทาสแล้วก็ถึงทำไมอ้างว่าพวกเราล่ะเพราะพวกเราเป็นคนรวยสองพวกเราเป็นเจ้าพ่อ อ, อยู่ในเมืองมะ ก, กาเนี่คุมอะไรทั้งหมดบง่งบอนการบนันันฉันดูแลหมดเลยงนะ่ะแบบปัจจุบันนี่นะฉันเป็นเจ้าพ่อฉันมีสตังฉันมีชื่อเสียงทุกคนเคารพให้เกียรติฉันถ้าอิสลามดีต้องมาถึงพวกเราก่อนแล้วไปถึงรอ น, นีได้ยังไง ร, รอ น, นีเนี่ยมันทาดเห็นไหมแต่แตขมอ ง, งมอะกระมวงว่ า, าศาสนาถ้าถ้าจะมาเนี่ยมันต้องผ่านพวกเราไม่ใช่ผ่าน มองหมัดผ่านรนินอันนี้มันหเห็นอย่างนี่เตือนพวกเราให้รู้ว่าอิสลามเนี่ยป็นของอัลลอฮ์อัลลอ์จะประทานให้ใครก็ได้ใช่ไหมแบบโรคโควิดนี่แหละคนกาเฟตมองโรคโควิดเป็นอาซาบหมดเลยแต่มุมินมองไปอะไรเป็นราะมะเตือนให้รู้มาว่าอิสลามเน่เป็นของดีที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ์เลือกให้อิสลามกับคนที่อัลลอ์พอใจ เขาว่าพอใจมายถอการมองมองที่ไหนไปไหมไม่ได้มองที่หน้าตาไม่ได้มองที่ความรวยไม่ได้มองที่ตําแหน่งแต่มองที่ควาใจอย่างเดียวนี่เตือนพวกเราวันนี้ที่อ่านที่อ่ญญานยาซีนน่ะเองตรงนึกกระไรเยอะนะไม่ใช่อ่านแล้วเอาผลบุญบนละบุญมันต้องนึกด้วยเราอยู่ในสภาพไหนเป็นมุสลิมหรือ ย, ยังกตัาญูอิสลามแค่ไหนเป็นแขกแล้วนี่แหละยังทะเลาะ ก, กับคนนี้ไหมนี่ยังด่าคนนี้ ยังตบหน้าภรรยากันอยู่ยังตบญาติพี่น้องทําไมถ้าอิสลามมาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนิสัยแล้วนะอีมานอต้องเปลี่ยนนิสัยนะแต่หน้าที่เราก็ต้องสอนเนี่ยอบอกกันบอกกันเตือนกันเตือนกันอา ต, ต, ต่อมาครับอิกรอัลนะอิละอฮิมุสไนเราได้ส่งนะครับไปที่เมือง อันตอกีอเนี่ยสองคนไปทำงานศาสนาฟากาซาบูมาชาวบ้านเนี่ยปฏิเสธทั้งสองคนนั้นเลยไม่เชื่อเลยอ้าวฟอัลจาซนาบิซาลิสนบีอิสาหรืออัลลอฮ์เนี่ยนะส่งเสริมไปอีกหนึ่งคนปรกายเป็นสามคนต่อมาครับ กลูอินน่าอิไลกุมมุสลูนทั้งสามคนเนี่ยเชิญชวนสู่อัลลอฮ์นะแล้วพูดว่าฉันไม่ได้มาเองนะฉันนี่ถูกแต่งตั้งมานะเงินเดือนก็ไม่มีด้วยนะ อ, อ๋อนี่อธิบายยาวใช่ไหมลนะ่ะแต่คุณมาไลา่ฉันทำไมมาด่าฉันทำไมฉันมาจากอนะัลลอฮ์ะอัลลอ์ส่งมาน บ, บีอีสซาส่งมานะแล้วพวกคุณเนี่ยกราบเจเวิตกันเต็มไปหมดนะสร้างบสถสวยๆนะ คนไม่เข้าโบสน่ะนี่มันก็เตือนพวกเราเองสร้างสซเราไม่เข้าโซเราระวังเลยเอาต่อมาครับโกลูมาอันตุมอิลลับะชรุมิสลูนาวะมาอันซาลลัลราะห์มานุมินชียอินอันตุมอิลลัตักซิบุนอัลลอฮอักบาร ก็ลูกมาอันทุมอิลลับอัชชารุมมิสลุนาวมะอันซาล ا ัลราะห์มานุมินชัยอินอัุมอิลลบอบาระนี้ดีมากนะครับเล่าพฤติกรรมเล่าคือความคิด ของคนในอารับมักกะคนกาเฟตที่ต่อต้านนาบีนะ่ะความเชื่อของเขาเชื่อว่าอะไรที่แอนตี uh ammad, ้มุฮัมมัดแอนตี้คาสอนของนบีนะ่ Anti นะแอนตีุ้รานเวนาทั้งหมดเนี่ยสามเสด็ละกันแอนตี Anti ้หมดเลยแล้วก็ไม่เชื่อว่าวันตายเราฟื้นเนี่ยนะในใจก็าคิดอะไรเนีย่ยรอดเล่ า, ล า, ล า, ลามาฟังก็ดูพวกเขาชาวเมืองกี่คนมันจะเล่าคณจะเป็นร้อยเป็นพันอนกัน พูดว่าไงนะมาอันตุมพูดพูดแบบดูถูกเหยียดหยามพวกท่านเนี่ยไม่ใช่ใครมาอันตุมคุณสามคนที่มาสอนฉันเนี่ยคุณจะมาสอนฉันได้ยังไงคุณไม่ใช่ใครอิลลาบาชารุนคุณเป็นคนธรรมดาคุณเป็นบาชาตเป็นคนธรรมดามิสลูนา่าเหมือนพวกเรา เป็นชาวบ้านธรรมดากินข้าวมีบ้านอยู่แล้วมีลูกมีเมียเองประเสริฐตรงไหนข้อดีเองอยู่ตรงไหนที่จะมาสอนเราเห็นยังครับนี่ทราบว่าความรู้สึกของคนแตะยุคนั้นเนี่ยพอพอกับยุคเราเหมือนกันนะจากยุคเราพอรับอิสลามแล้วมก็มันก็ดีขึ้นเนี่ยนะคนที่จะมาสอนเนี่ยเขามองว่าเนอย่างนี้ต้องเดินบนน้ําได้ต้องเหาะได้ต้องบินได้ ต้องเป็นนูน่นเป็นนี้เป็นลูกผสมกระสับโบเออเรื่อยมาเยอะมากเลยคนที่จะมาสอนคนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาจนๆเอออย่ามาเดินผ่านถาปกูกูไม่ฟังมึงแล้วลูกใครเองอะ่ะเออไข่ค้ากันไหมไข่ค้ากับบ้านเราวันนี้เองลูกใครอะ่ะโ อ, อถ้าลูกวันหน้าเออข้ อ, อยังชั่วหน่อยนะยังพอนั่งฟังได้ถ้าเองจนๆอยู่ริมบ้านฉัน อย่างการณีนะ่ะเป็นท่าจังมากถ้าไซนาอุมาดนะ่ะโอ้โหมารับอิสลามอะ่ะ อ, อ้างใครอ้างไซนาห์อุมัดเราแมก็ตกเงาเองอะไรมาอ้างได้ยังไงไม่มีสิทธิ์จะว่าคนที่จะมาสอนอิสลามในนั้นในสมัยนู้นเนี่ยนะนยนนยนะต้องเป็นลูกเจ้าพอ่อหรือไม่ก็เป็นเจ้าพอ่อหรือแมก็มีเงินแล้วก็เป็นแสักยางที่มันเด่นเด่นกว่าชาวบ้านจังหลายเนี่ยที่พูดตำหนินะ ก็อยูมาอันตุมอิลลาบชาุมมิสลูนาพวกเขาชาวเมืองนะครับกล่าวว่าพวกท่านไม่ใช่ใครอื่นใดนอกจากเป็นสามัญชนเยี่ยงเร า, เ อ, าอัลลอฮ์เข้าใจนะตําหนิไหมตําหนิถ้าดังว่าอักีด้าของเขาเนี่คนที่จะมาสอนเนี่ยมต้องคนคนธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นลูกลูก ศา ส, สนาพุทธมีอะไรลูกลูกศาสนาะใช่ไหมสิท ธ, ธาธรรมาท่านอ่ะมันต้องมายังงานถึงคนเชื่อทำไมมาธรรมดาเนี่ยจนๆม่พโสดสิทธ์นะนี่แต่ศาสนาพุทธนิดหนึ่งนะเ อ, า, ะอาต่อมาครับอามะอันซ์ลลัลรัมมานูมินชัยอายากวักนี้นะเขายอมรับเหมือนกันว่าอัลลอม์มีอ่า ว่มาอันศาลาโรฮ์มานและพระผู้อภิบาลนะครับคุบคุณคุณคุณคุณคุเคีณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคอณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุรคุณคุานุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณุณคุณคณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณค เขาเข้าใจว่าอลัลลอฮ์นี่นะมีจริงแต่อลัลลอฮ์ไม่ได้ส่งอะไรมาหลอกเองกหกเองอ่ะอ้างอลัลลอฮ์อ้างอลัออลลอฮ์อยู่นั่นแหละยังกับคนปัจจุบันนี้ที่สอนฮะดษษีสอนกุนอ่านน อ, อ้างอ้างสุนนะใช่ไหมไม่ถึงนบีสักทีนว่าบีว่าบีวาบ่าแต่นิดๆนะเข้าใจง่ายๆนะเอ็งอยังมาอ้างอลัลลอฮ์อ้างรอสูลไม่เชื่ออยู่แล้วเอ็งพวกไม่ถึงนบีอยู่แถวๆนี้แหละนะตอมาครับ อินอันตุมอินและจักริบูนพวกท่านนั้นไม่ใช่ใครนอกจากเป็นคนที่โกหกนำเรื่องเท็จมาสอนหมดเลยนี่อรอแล้วก็เสียใจไหมละคนที่ไปสอนก็เสียใจเนี่ยนะนบีก็เสียใจมาถูกดา่านี่นี่คนละยุคกับนบีนะแต่เล่าให้นบีฟังโอ้นบีโอ้โหก่ อ, อนหน้าฉันในช่วงนนะแบนนบะัยนบีอีซา อ๋อมีคนสามคนไปสอนแล้วเขไล่กันนะแล้วฉันนี่ไม่ถูกไลก่เลยโอ้ใช่ใช่กำลังใจมาแหละเออใช่ใช่ใ ช, ช, ชนี่อลัลลอฮ์ไม่เล่าทั้องอื่นเล่าเรื่องอิสลามอย่างเดียวเลยนะเพราะอาลัลลอฮ์อิสลามเป็นศาสนาของอลัลลอฮ์ท่านคนที่เชื่ออลัลลอฮ์น่ะปลอดภยัยหมดเลยนะถ้าอิมานต่ออัลลอฮ์แล้วนะ่ยมารยาตดีไม่ดีสัยก็ดีอักราบดี หล่อความคิดความอ่านนี่ใจเย็นหมดเลยเพราะอิสลามเนี่สอนเนี่เราเนี่สุขุมรอบครอบใช้ได้ไม่ได้ทำเลยละนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาเลือกอาหารจะแต่งงานก่อนเลือกอีกใช่ไหมลองอักวะที่อิสลามสอนหมดเลยหนะ่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเต่อมาครับในสุลต์กาฟีอธิบายอาย่านี่นะครับนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันเป็นคนธรรมดาสุลต์กาฟีอาย่าที่หนึ่งรอสิบนะ อันนับชัรุมมิสลุกุมคนอา랍ก็ต่อบต้านน บ, บีเหมือนกันนะน บ, บีก็บอกว่าอันาับชัรุมมิสลุกุมฉันนี่เป็นคนธรรมดาเหมือนเหมือนเหมือนพวกคุณนั่นแหละแต่มีข้อพิเศษดีกว่าก็คือยูฮาอิไลอยยันนามาอิลาฮูกุมอิลาหัวเหตอัลลอฮ์แต่งตั้งฉันให้เป็นน บ, บีเท่านั้นเองกินข้าวเหมือนคุณเดินตลาดเหมือนคุณแต่งงานเหมือนพวกท่านหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกัน นอนก็นเหมือนกันอะไรกันแต่ว่าของพิเศษก็คือถูกแต่งตั้งจากอัลลอฮ์ให้รับคำภีกูนอ่านมาสอนพวกคุณเท่านั้นเองถ้าท่านจะไปด่านาบีก็ไม่ได่าเพราะนบีคนธรรมดาแต่งงานไหมแตดหลายๆอย่างที่นบียกเตือออัลลอฮ์ยกงนบีนะแค่นี้พระยาเกินสี่คนเนี่ยยกชัวหนบีนะอย่างนาบียืนอยู่นามาดเนี่ยข้างหันหน้าไปทำกิฟลาดเนี่ย นบีมองข้างหลังเห็นนะเห็นชาวบ้านเนีย่ยยืนยืนนั่นยืนชิดกันไหมใครจะพูดอะไรตาหลังนบีไม่มีแต่เอาล้อให้เห็นเหมือนตาหน้าเลยอ่ะนี่ยกเว้นนบีนะมีไม่เกี่รายการนะ่ะที่เอาล้อให้กับนบ AH ีมุฮัมมัดสุลต่านแต่เราเนี่ยต้องทําตัวพยายามทําตัวให้ใกล้กับ น, นบีนะเอาสุนทร น, นบีมาใชา้ในชีวิตประจําวันนะเอาทำอยู่ลีเลย ทีนี้นบีมุ hammad เนี่ยนี่มีตับสิทอธิบายไปว่านาบีมุ h ั m m a d เป็นคนธรรมดาเดินตลาดจ่ายตลาดเองแต่มีความรู้คือจากอัลลอฮฺวาฮิมาข้อที่สองนบีนี่นะอยู่บ้านนี่นะรีดนมแพะเองข้อที่สามนาบีเนี่ยซ่อมรองเท้าเองเวลารองเท้านาบีขาดเนี่ยซ่อมเองอะ่ะแล้วก็กวาดบ้านบ้างช่วยภรรยาเสื้อผ้าปะะบีชุนเองอะ่ะ ยังครับช่วยภรรยาเข้าครัวบ้างอะไรบางนิ่ชีวิตของนบีท่านเราเอาชีวิตนบีมาใช้บ้างนะอล๋อไม่ใช่ไม่จำไม่กวาดเลยมีแพะอยู่ตัวนบีมีแพะเจ็ดตัวนะถ้าจะเลี้ยงแพะก็ดีนะแต่จะลื่นสมัยปัจจุบันอยู่นคะรธอเรจะเลี้ยงแพะลำบากมีอยู่คนหนึ่งเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงแพะเยอะแล้วก็บ้านข้างๆเนี่ยไปแจ้งเขตเขตก็มา แล้วก็เจ้าของบ้านก็บอกว่าเฮ้ยแพะนี่มาก่อนมืองริมมืองมาก่อนแพะเขามาที่หลังนี่มาเขาเลี้ยงแพะมาตั้งสามสิบปีแล้วแต่เองมาที่หลังมาปลูกบ้านริมบ้านก็แล้วก็ด่าเขาอ่ะทำไมเปิดแพะเหม็นท่านเคพูดอะไรไม่ออกเหมืนเออก็เลี้ยงแพะไว้ก่อนแล้วยี่สิบปีที่แล้วแล้วเรามาอยู่บ้านริมเขามันก็ต้องทนหน่อยอย่านี้ <c oughs> โอ้ลำบาปเรื่อเนี่ยอักล่าอย่างนี้มันต้องระมัดระวังนะ ท่านยังอยู่ในกตมเนี่ยอย่าไปเรียงแพะเรียกข้างนอกนะแถวเขา15 16้าสิบกปนั่นนะแบบสรางระบ้า น, นะไม่เข้าโเราวด้วยใช่ไหม <c oughs> อย่าทำตัวอย่างนั้นนะห้ามตุลินเลยเอาต่อมาครับอายะเท่าไรนะสิบหกอาจารยว่านาบีนี่พระยานาบีเนี่ยช่วยเหลือานาบีทั้งหมดนะน่เน้นไหมนะมีพระยานาบีอยู่คนหนึ่งที่ที่ช่วยให้สามีทาบาปนงอะไร อาดมอาดิศามลโตฮาวเราเนี่ยใช่าหมที่อัลล อ, ลอฮสั่งว่าละตักรบาฮาดิฮิชาเะเราอยาเข้ากล้าต้นไม้ต้นนี้นะละขยุจะนั้นมีภรรยาก็ต้องเลือกเหมือนกันนะภรรยาบางทีมันก็ยุให้เราทำบาปนี่ไห ม, มอัสตัลเบอนี่นี่เล่าให้ฟังนะไม่ใช่ตำหนิใครเลยนะทำดุดิละอัตไอมาอายาติสุบก "قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون" กล่าวว่า "ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون" คนที่ไปสามคนเนี่ยก็โตตอบบ้านนะตอบว่าไงนะตอบชาวบ้านว่า เขาทั้งหลายมาถึงทูตเนี่ยก็รูสามคนที่เดินที่ไปสอนศาสนาตอบว่าไงนะกล่าวว่ารบบุนาพระผู้อภิบาลของเรายะเลิมทรงรู้ดีอินนาอิลายุุ้มลามุตซาลูนแท้จริงเราเป็นผู้ถูกส่งมายัางพวกท่านแน่นอนนี่พูดย้ำสองข้างนะเราไม่ได้มาเองนะ เรานี่ถูกส่งมานาะนแล้วก็พูดฐานนี่ถูกส่งมานาะนเน้นให้รู้ว่าไม่ได้มาเองนะฐานนี่ถูกส่งมานะแล้วก็มาด่ากันทําไมมาตําหนิฉันทําไมถามว่ามาสอนเรื่องอะไรต้องการอธิบายใหม่ก็นี้เราสอนเรื่องนี้ละหนึ่งให้อะไรนะให้ยอมรับว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอย่าทําชิริกคําว่าชิริกนี่มีความหมายเยอะนะอะไรบ้างอะ ถ้าเรามองว่าเงินเนี่ยช่วยเราได้นี่ก็ชิริกโ ต, ตเกียช่วยได้ชีริกเวลาเราสาบานทนายบางคนสาบานว่าทาสาบานด้วยเกียรติของของทนายชิริกนี่ชีริกมันมาแบบไหนนะแบบมดดําตายบนเสื้อสีดําในเวลากลางคืนมั้ง มันต้องเรียนศาสนาเยอะดเกียรติของอิห ม, ม่ามอะไรวะด้วยอัลลอฮ์ต้องอ้างอัลลอฮ์หมดเลยอย่าไปอ้างเกียรตินู่นเกียรตินีตนน้ตำแหน่งนั่งตำแหน่งนี้อย่าไปห้างเด็น้องครับเราเป็นบ่าว AH, อัลลอฮ์ก็แล้วนะแล้วก็ในคัฟเวอร์ุณอ่านอธิบายดีนะเช่นบอกว่าอะไรนะคุณอ่านเนี่ยเป็นชีฟาอุนใช่ไหมชีฟาแปลว่าอะไรนะยารักษา โรคโรคที่ไหนรู้เป่าโรคหัวใจโรคหัวใจนี่นะหมอรักษาไม่ได้นะโรงพยาบาลเนี่ยรักษาไม่ได้ไม่มียากินด้วยชิฟ้าคุณบอกว่ายารักษาโรคหัวใจมีประมาณห้าโรคหนึ่งอะไรบ้างโรคนิฟ้าโรคหน้าหว้หลังหลอกเอ็งไม่อ่านกุณอานเอ็งเป็นคนดีไม่ได้ว่าง่ายๆนะโรคโมโหเก่น ถ้าไม่มีอิมานอย่างเดียวรักษาโรคโมโหไม่ได้ด้วยใจเย็นๆเนี่ยรักษาไม่ได้นะแล้วก็โรคตาหนีขี้เหนียวเงินมีเยอะแต่ไม่เคยบริจาคให้ใครอ่ะถ้าม่มีอิมานอย่างเดียวเนี่ยบริจาคเอาไปเลยเอาไปอ่ะหมื่นสอง 0,000 นพันสองพัสอพสองสลเอาไปเอลอพันให้พันแล้วคนเดียวไม่เห็นนะหมู่บ้านเมยตั้งร้อยหลังเนี่ยมีอยู่สองสามหลังที่เมย์ฐานะการเงินอ่ะแล้ก็ต้องนึกทําไมอขอขออเอาล่อให้ครอบครัวฉันโอ้โนี่ยเอาล่อเมต์ตาฉันเนี่ยฉัน วัดใจหรือเปล่าเองมีเงินบริจาคเป็นหรือเปล่าต้องนึกนะอ้าวถ้าไม่บริจาคราชการไม่จ่ายสวทกมไม่จ่ายพาริยญาไม่จ่ายเจออะไรเดี๋ยวไปเจอในกูบัวแต่บนทุน ญ, ญานี่ยเอาไปอยู่ไปเฮอจะกินแพ้ ก, กี่ตัวจะกินกี่วันเสื่องของเองแต่เองเจอแน่ๆอาสาบก็นไหนตอนตายแต่คนที่มีความรู้มีสอนศาสนาก็ระวังนะเอาความรู้มานั่งกรออยู่นะ่ะ อคำถัดเลยแล้วต่อมาครับมุสลูนมันมีอยู่สองคำนะมุสลูนนะครับอีกคำหนึ่งอายาที่17ว่ามาอะไลนาอิลลัลบาลากุลมุบีนและไม่มีหน้าที่อันใดแก่พวกเราว่มาอะไลนานี่3คนนี้พูดนะหน้าที่ของเรามาทำอะไรอิลลัลบาลากุลมุบีนอกจาก การเผยแผ่อันชัดแจ้งแก่พวกท่านเท่านั้นเองเราไม่มีหน้าที่อย่างอื่นนอกจาสอนสาศาสนาอย่างเดียวมาสอนให้ท่านได้เข้าใจเรื่องเตาเฮต์อย่าทําชีริกอย่าทําบาปอย่าทรยศต่อพ่อแม่ตายแล้วต้องฟื้นมีเงินแล้วต้องจ่ายต้องต้องบริจาคต้องจ่ายสการต้องจ่ายโซนอกฮัดียมีความรู้ต้องต้องสอนกันอะไรกันอย่าอยู่แบบเฉยเฉยไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ถูกนะ โอ้ห้ามในเวลาเนี่ยนะอัลลอฮ์เน้นในสุร้ยยาซีนเพื่อให้เราได้อ่านแล้วนำเอาความรู้จากยาซีนเนี่ยไปใช้กับชีวิตตัวเรานะครับอาทีนี้อายาท้ายยาศท้ายนะครับก่อนจะพูดอายาศูนท้ายก็อธิบายก่อนนะว่าน บ, บีมุฮัมมัดเนี่ยสอนให้เรานำ ม, มาใช่ไหม ฟืนฟความรู้สึกความความจำนิดหนึ่งนะคนที่อาบน้ำน้ำมาหยุดเป็นประจําเนี่ยเราได้อะไรหนึ่งมีจุดขาวบนหน้าผากในวันเกียมากนู่นบนดวงยานี่ไม่มี <c oughs> ก็หน้าหน้าหน้าก็สบายกันอาบน้ำอาบท่าเนี่ยหน้าเย็นต่อมากับที่ข้อเท้ามันมีสีขาวนี่ข้อเท้าเราเนี่ยร่องรอยจากการอาบน้านะำมาสองอย่างแล้วนะที่หน้าผากมีจุดเด่น เพราะลอยสุญู่นี่อาซาตมนเลยอธิบายอายาเทไทา น, นะอาซาราหุมใช่ไหมนักตูบุมากอดดามัวอาซาราหุมรอยสูญยู่มีใช่ไหมที่นาาทหน้ากมีใช่ไหมที่ใบหน้ามีที่เท้ามีแล้ต่อมาอีกได้รับบัญชีมือขวาอ๋ อ, อ, อ, อ, อนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดคนที่นมาศครบห้าเวลาแล้วอาบน้ํำนมาศเวลาจะรอดจะแจกแจกบัญชีเนี่ยในวันเกวียมมนะ ม่มือหนามีอยู่สองมือจะมาซ้ายกับซ้ายกับขวาอัลลอฮฺอัาจะนั่นรับพันจีด้วยมือขวาสแสดงว่าลฮัมดุลิลลอัลลอยื่นมาด้วยมือขวาเนี่ยลฮัมดุลิลลปลอดภัยแล้วฉันถ้ายื่นมือซ้ายนี่หละหันหน อ, อีกไปยอย่างนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยสายไม่รอดแมอัลลอฮอักบรแล้วก็การเดินมาเสยิจเนี่ยเป็นนูรุนเป็นทัศมีนะอธิบายอย่างนี้ทุ่งมาชาติน่มันมืด เดินมาเปเดินกันไปอย่างเงคนมุมินเนี่ยรัศมีมันมี ม, มีแสงแสงแสงสองมีแสงสว่างสองแบบไฟฉา ย, อยาสองไปเนี่ยคนกาเฟ่ต์กำลังเดินตามพวกเราอยู่แนละ้วอาศัยแสงหน่อยพอเดินไปเดินไปแสงมันหายเฮ้ยรอกู ด, ด้วยแต่มุงมินก็นเองเองรองเดี๋ยวเดี๋ ว, ว, วแสงมาเองถ้าไอ้แสงนี่มาจากไหนแสงจากการที่เรามาเดินมานมาที่มัสยิดอยู่เป็นประจัย อย่าครับนูรุภุมยัสอาไบานาไอดีหิมนี่อรลถเล่านะครับนบีคุณอ่านจะมีแสนราษมีอีหมาเนี่ยจะเดินนําหน้าคนโมมินที่ถุกมาชา่องนี่มันเรื่องจริงทั้งหมดเนี่ยมันมันต้องทำํำในแต่วันนี้เลยน้ม า, า, านยาขาดอามน้ำมานสม่ําเสมอให้แปรงฟันด้วยนะไม่ให้เงือกบวม <c oughs> แล้วก็นบีแปรงฟันวันละกี่ครัง้งห้าครั้งนี่น้มานะและหลังอาหารนี่ล่ะ และออกนอกบ้านทุกครั้งเนี่ยโรคโควิดมันไม่มีทางเข้าถึงนบีเราเพราะว่าล้างมือล้างมือล้างมือแปรงฟันล้างมือแปรงฟันอ่านคุณอ่านสิกุลโลมาได้ไงไม่มีทางเราเรมุสลิมที่ปฏิบัติตามนบีฮัมดูลิละปลอดภัยหมดแล้วครับาต่อมาครับอายะที่18ยสุดท้ายนะกอลูอินาตะไอยอนะบิกุม לא إلَمْ تَنْتَهُ و ا لَنَرْجُمَنَكُمْ ّ و َ ل َ ي َ م َ س َّ ن َّ ك ُ م ْ إِنَّ ا ع َ ذ َ ا ب ٌ أ َ لِيَمْلَأَهُمْ قَالُوا إِنَّ ا ت َ ط َ ي َّ ر ْ ن َ ا بِكُمْ لَا إلَمْ تَنْتَهُ و ا لَنَرْجُمَنَكُمْ ّ ولا يمسنكم من عذاب أليم พราองค์บอกว่าอควานี้เตือนร่างหนบีฟังนะยิบรีล่างหันาบีฟังนะนงนะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาดา่าเขาด่าสามคนนี้ว่ายัางไงเขาด่าว่าอย่างงี้พวกเขาทั้งหลายกล่าวว่ามาถึงชาวบ้านอินนาตะตอยยารนาบีกุม เราถือว่าเป็นลางร้ายตตอโยัน์นาที่เองมาสอนนี่นะแล้วมาอ้างว่าตายแล้วฟื้นถ้าไม่เอาอิสลามไปปฏิบัติจะถูกลงโทษไอ้ภาษาอย่างนี้เนี่ยพวกเรามองว่านี่มันเป็นลางร้ายลางร้ายนี่พวกถืออะไรถือโชคใช่ไหมถือโชคถืออะไรอีก แล้วก็ไอ้ลางรายเนี่ยมาถึงพวกเราเลยนะนี่มันเรื่องมันพันสี่ร้อยปีนะเราเล่าให้ฟังนะก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดใช่ไหมอ่าประมาณอาะถ้าพ400ก็อีก500ปีพันพันส0่พันห้าพันหกพกว่าปีแล้วนะก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดน่ยพูดว่าไงนะชาวบ้านจะพูดว่าลางรายพวกเราวันนี้ก็ลางรายก็เยอะนะแต่นี่คนจะเบาไปเยอะนะ้วนะ จึงจบทักใช่ไหมออกไม่ได้เวโต๊ะว่าอย่าออกอย่าออ ก, อออกมันลางไม่ดีลางไม่ดีนกแขกบินแต่ต่อยานาะมามาจากต่อยรุ่นบวมนกนกแขกบินตอนกลางคืนตอนสี่ทุ่มฉีกข่าวใช่ไหมะจะมีคนตายนี่พูดใสห่หูลูกบ่อยๆลูกก็เชื่อไอเราก็เชื่อโตว่านี่ใช่ไอลางรายลางไม่ดีนี่มีมานานยัง นี่ต้องการจะเคลียร์ให้หมไม่มีเรื่องลางโชครงโชคร้ายไม่มีในอิสลามมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดกขะจายนะนี่เคลียร์เป็นเคียร์อักขีดายังออินนาตโตยยัรนาบิคุมเราถือว่าเป็นลางร้ายที่พวกท่านานำเอามาและอิลลัมตันตะหูท่าหากพวกท่านไม่หยุดยั้ยงถ้าไม่เลิกสอนอนะ เป็นไงครับลานาฬูมานากุมแน่นอนเราจะเอาหินขว้างท่านจนตายโคตรร้ายโคตรไม่โหดโคตรนี่เอาเเล่าเรื่องยร่งนิสัยด้วยตัวเองก็เชื่อหมอดูอยู่แล้วใช่ไหมล่ะลูกศิษย์นบีอิสามาสามคนว่าเองนำลางร้ายมาให้ ไอ้รางรานมาจากไหนเอ็งคิดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแล้ว อ, อักวัตนี่มาเครียรอย่างนี้ไงเรื่อ ง, งรองางรายไม่มีนะเอ้ยแล้วก็โหดไม่โหดถ้าเอ็งไม่หยุดสอนนะเราจะคว้าหินด้วยหินจนตายโหได้ไหมโหพอควกับนบีรน่ชื่ออะไรไอ้ไอ้ไนาอุ ม, มารไซมา ก, ก, ร, มกราบามมาตบหน้าน้องสาวอนะ่ะแล้วก็ตบ รอนีนจะอะไรนะถ้านะ่ยโพตรพอมีอีมาแล้วนะรอนิ่มหมดเลยนะสุญูร์ก็รอให้อภัยกับคนนี่อีมาเนะี่ะฉะนั้นมีอีมาเยอะๆเนี่ยช่วยประคองเราไม่ให้ตกนระกใช่ได้ไหมใช่นี่มาสอนเรื่องอัครากอย่างเดียวเลยนะเรื่องศาสนาอิสลามเนี่ยมาได้ยัดตัว ง, งามคิดๆม่เชื่อมโชคนน่นโชคนีมจริงจบ โอ้อโหไม่ใช่ไม่มีมาจะเอาลอดทั้งหมดใครเป็นใครตายใครรวยใครจนใครแข็งแรงไม่แข็งแรงมาจะเอาลอดทั้งหมดแต่ตัวแยกให้ออกด้วยนะมันมีริสกีอยู่สองอย่างมางริสกีถาวรกับริสกีชั่วคราวสุขภาพแข็งแรงในริสกีอะไรชั่วคราวนะบ้านริสกีชั่วคราวแล้วก็ลูกเมียน่ยชั่วคราวเงินริสกีชั่วคราวทั้งหมดเอาลอดยิบเอากลับมารายได้ไหม แต่ริสกีทาวอนอ่านคูนอ่านนี่อ่านกุนอ่านเนี่ริสกีถาวรนนามาถ้าเวลาเป็นริสกีทาวรไม่มีวันหมดอายุแล้วก็ยึดสุนานะนบีเอารูปแบบนบีประชาเปา็นริสกีถาวรอน إ ي م ต่ออัลลอฮ์หกข้อริสกีถาวอนใช่ไหมเชื่ออักีดาเป็นริสกีทาวอั้งหมดทันเราต้องแยกแยกให้ออกระหว่างริสกีถาวอกับริสกีชั่วครวต่อมาครับ วาลายามสันนากุมแน่นอนเราจะลงโทษพวกท่านมินนาะโทษนีมาจากเราด้ยนะเดี๋ยวสอนเล่าให้ฟังนะภาษามหนักน่าดูเลยนะเราเราจะเล่นงานพวกท่านโทษจากเราเลยนะมินนาะอาซาบุนอาลีอาซาเปว่าการลงโทษอาลีแปลว่าเจ็บแสบเจ็บปวด แส้งว่าใจโหดใช่ไมหมโหดเนี่ยโหดมากเลย น, ะนี่เล่าพฤติกรรมเล่าอักขลกักเล่าภาษาด้วยที่เองพูดออกมาเนะ่ยผิดหมดเลยนะพูดเรื่องโชคลางมีไหม อ, อ๋อรอพูดเรื่องลางร้ายมีไหมเอามาจากไหน ล, งลางรองลางร้ายเนี่ยก็ปุยยะตายะเขาสอนกันมาเป็นยังาง น, านะครับแล้วก็โหดไหมเลิกนะเลิกสอนนะเอกออกไปจากหมู่บ้านทำงานฉันจะอะไรเอาหินคว้างท่าน จนตายนะลายัดยุ่ล้นัดยุมันนะกุมวัลายมัด ส, สันนะกุม้มและเราพวกเราจะเล่นงานพวกคุณนะอาซาบุนอาลิมการลงโทษ อ, อันเจ็บแสบเราไม่มีสิทธิ์ไปทําร้ายใครนะไม่มีสิทธิ์เลยสนะิด่าใครก็ไม่ได้เรามีหน้าที่เตือนอย่างเดียวนะเตือนด้วยภาษาที่ไพเราะแบบนบีมุฮัมมัด ส, ลสุลตัมภรรยาปอจะพูดจาเกินดีๆประกอบจบแล้วนะเอาเงินในภรรยาชายรางวัลมีบ่า เยอะนะอะไรนะสร้างมัสยิดมีรางวัลบริจาคสร้างมัสยิดให้เด็กกำพร้าสร้างบ้านคนจนมีบรรทบีรางวัลหมดแต่เอาเงินให้ภรรยาชายมีรางวัลมากกว่าการทำบุญอื่นๆดีหรือไม่ดีดนับบีสอนเองฮัมดูลิลละเจนนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่านนาบีโอรสูลกอัลลอฮ์สามีฉันนะ่ะขี้เหนียวหน้าดูเลยไม่เคยให้สตงังใช้ พี่บอกว่าให้หยิบเฉยๆไม่ได้พูดวัน่ากด้วยนะ ห, หยิบเฉยๆอัลลอฮ์ขอโอาตอนรอให้เป็นคนที่นะดูแลครอบครัวนะไม่ใช่เงินอย่างเดียวให้แล้วเอกให้อิสลามให้อีมานด้วยอัลลอว่ากับวุครับอลลอฮมาวบหัมิกัอลัยฮฺอลัยฮฺอิลัยัตัสอัุลกบฮะตบล